ทีนี้ว่าถ้าคนมีปัญญาอ่อนมีความเพียรอ่อนด้วยและไม่มีที่พึ่งด้วยว่าใครที่มีศรัทธาอ่อน ม, มีปัญญาอมีมีอิทธิอ่อนอย่างกรณีท่านเนี่ยแล้วมีที่พึ่งที่พึ่งในที่นี้น่ะหมายถึงกัลายาณมิตรและการพึ่งพากันอย่างในทางธรรมะเนี่ย หมายถึงพึ่งกันแบบให้เขาพึ่งตัวเองใช่ไม่ใช่งั้นเมื่อว่ า, าคนมาหาพระเจา้ามาศรัทธามาอะไรมาขั้นหนึ่งมาปฏิบัติธรรมพระเจา้าก็เป็นที่พึ่งให้ให้หลักจนกระทั่งพึ่งตัวเองได้คือให้พึ่งเพื่อจะให้พึ่งตัวเองได้ไม่ใช่พึ่งกันตลอดไปพระเจ้าไม่ใช่คนบริษฟิลก้าเนี่ครับที่จะคอยจ้องทําอะไรให้มัน มันมีอายุจํากัดเนี่จะได้ขายอะไหล่ขายอะไรต่ออะไรกินกันอย่างไม่รู้จบนี่พอเขาเลิกผลิตไอไอผลิตภัณฑ์ตัวนั้นตัว น, นี้เลยใช้ของนั้นไม่ได้เลยเพราะมันไม่มีอะไรพระพุทธเจ้าหรือลักษณะทางศาสนานั้นไม่ทําอย่างนี้ก็เป็นนั้นว่าก็เรื่องของการพึ่งท่านท่านพึ่งอย่างนี้ทีนี้อลไรที่ผมจะอธิบายเนี่ยที่มันมาสอยกล้อ ง, องชีวิตอย่างคนอยู่ในวัดอย่างเราเราเนี่ย บางคนเนี่ยครับเห็นชัดเจนแล้วเจ้าตัวก็เข้าใจตัวเองชัดเจนยอมรับว่าถ้าไม่มีคนกระตุ้นเนี่ยไม่เอาแม้แต่จะไปใส่บาทหน้าบ้านมีคนหุงข่าหุงปลายถ้าไม่ทวงไม่ไปแล้วบางทีก็เกียรขึ้นมาถึงขนาดทารรท่าจะทิ้งเถียงไม่ทำนี่ยฝุ่นฝืนนะอาอยางนี้ก็มีในทัางกมอย่างเราเนี่ยนะ นี่เขาเรียกว่าความเพี่ยนอ่อนถามว่าไม่เรื่อมสายบอกเรื่อมแต่ไม่เป็นไรไว้ก่อนเขาเอาไว้ก่อ น, ออนและอีกลายเนี่ยนี่เขาก็สารภาพเลยครับบอกว่าเขาเนี่ยเวลาเขาจะทำกรรมฐานเนี่ยถ้าเขาอยู่คนเดียวแล้วก็แต่จะไม่ทำจะไม่ทำเลยแล้วเขาบอกว่าทำไม่ดีดีนี่ก็เป็นข้ออ้างดีดจะทมันก็ไม่ทำ เพราะนั้นเขาจะทำกรรมฐานได้ต่อเมื่อมีคนนำมีครูมีเพื่อนเขาจึงจะทำมีคนนี้สนิทสนมกันค่อคนข้างมากเลยนะเขาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเขาต้องออกไปสู่สำนักหรือต้องโทรเรียกเพื่อนปฏิบัติมาที่บ้านหรือไปบ้านเพื่อนเขาจึงจะรู้สึกเขามีแรงทำและทำได้ไม่อย่างนั้นนะก็ไม่สามารถจะทำได้อาอย่างนี้เลยจะไปเราจะว่างไง เขาเป็นอย่างนั้นนี่คือพวกเถาวันบุคลิกลักษณะเป็นเถาวันต้องถูกกระตุ้นอยู่เสมอๆ<ม>จึงจะเจริญในธรรมจึงจะจะรับผิดชอบจึงจะทำอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องควรทานี่การอบรมสั่งสมเป็นอย่างเดียวกันกับท่านวัน ล, ลีไม่มีผิดเลย เลยก็เลยฝากจาำมาตะใครมีเพื่อนอย่างนี้นะฮะก็ไปช่วยเล่าประวัติท่านบรรลีให้ฟังให้เขาฟังหน่อยแต่นะแต่ดูให้ดีก่อแล้วอย่าให้เขาโกรธเล่าล้วก็จะได้เป็นกติเตือนใจอแล้วก็ถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นอย่างนี้เราก็จะได้เอาวิธีการของท่านบรรลีเพราะฉะนั้นท่านบรรลีเนี่ยท่านจึงไม่ห่างเพื่อนและเพื่อนที่ทีเป็นเพื่อน เป็นที่อาศัยเหมือนเป็นต้นไม้ยืนต้นที่ท่านเข้าไปเกาะเกาะเพื่อจะเลิญในธรรมได้มีชื่อว่าท่านเวนุทัตตาท่านเวนุทัตตาท่านเวนุทัตตานี้เป็นต้นไม้ยืนต้นของเถาวัลต้นนั้นก็เลยอยู่ปฏิบัติกับท่านองค์นี้ท่าน ความจริงคงจะพึ่งมาได้มาหลายคนแล้วนะเปลี่ยนจากคนนั้นมาคนนี้แล้วมาได้ท่านเวนุทัตตาเนี่ยเป็นที่พึ่งสุดท้ายหรือเป็นต้นไม้สุดท้ายที่ทําให้ท่านได้บรรลุเป็นพระอระหันต์เพราะว่าท่านเวนุทัตตานั้นจะว่าเป็นเวเนอีของท่านก็ส่วนหนึ่งท่านรู้จักสอนรู้จักกระตุ้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งจึงได้ให้กรรมาฐานแล้วก็บำเพ็ญความเพียรจะบรรลุเป็นพระอระหรันต์หลังจากคบกันมาไม่นานนักเออ่ ผมอยากจะอ่านคติที่ท่านเวนุทัตตะได้กล่าวสอนกับท่านวัน ล, ลีความว่าสิ่งใดอันบุคคลผู้มีความเพียรมั่นพึงธทมกิจอันใดอันบุคคลผู้ปราศนาจะต่สรู้พึงธทมเราจะทำกิจนั้นไม่ให้ผิดพลาด ตามคาสอนคาสั่งสอนของท่านจงดูความเพียรความบากปั่นของเราอันหนึ่งขอท่านจงบอกทางอันอย่างลงสู่อมาตะมหานิ้ผานให้เราเราจะรู้ด้วยปัญญาเหมือนกระแสะแห่งแม่น้าคงคาไหลไปสู่สาครเช่นนั้นนี่เป็นเป็นเนื้อความที่ท่านเองเอาเอาคำสอนของอาจารย์คำปลุกเราอาจารย์เนี่ยมา กล่าวอีกครั้งหนึ่งด้วยเมื่อท่านบรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วเลยเป็นคําเป็นคําบรรลุธรรมนะเป็นคําบรรลุธรรมของท่านวัลลียะที่ได้มาจากท่านเวนุทัตตาก็เป็นนั้นว่าเป็นพระอาหารหันต์ไปแล้วแะนี้มาถึงอีกองหนึ่งหนึ่งร้อยสี่สิบห้าองนี้นะ่ะพิเศษกว่อ ง, อง์อื่น ท, ทั้งหมดที่ได้กล่าวมาและอาจจะพิเศษกว่าอีกหลายองที่ได้กล่าวต่อไปด้วย องนี้มีชื่อว่าวีตาโศกเพราะเออถึงวีตาโศกเนี่ยบางท่านเคยได้ยินชื่อนี้มันมาก่อนแล้วอคนที่เคยอ่านประวัติพระเจ้าโศกมหาราชจะได้ยินชื่อคำว่าวีตาโศกวีตาโศกกับอโศกมีความหมายอย่างเดียวกันอ่าแปลว่าไม่ไม่คือไม่โศกแล้วก็วีตาเนี่ยแปลว่าประราดจัก ก็คือเป็นคําปฏิเสธเหมือนกันผู้ปราศจากความโศกต่างกันที่พยัญชนะเท่านั้นเองอโศกเป็นพี่วีต่โศกเป็นน้องทั้งสองบุคคล น, นี้เป็นโอรสของพระเจ้าพินทุสารซึ่งเป็นโอรสของจันทระครุปที่เป็นคนกู้อินเดียให้พ้นจากมือของพวกอพวกกรี แล้วก็เป็นต้นวงของโมริยวงของพระเจ้าอโศกมหาราชในการสืบต่อมานั่นเองก็แน่ละครับเมื่อเรารู้ว่าท่านเป็นน้องชายพระเจ้าอโศกท่านก็ต้องเป็นชาวเมืองปาตาลีบุตรโดยแน่นอนถึงเป็นเมืองที่ย้ายมาจากเมืองมคตโดยพระเจ้าอัชาติสตรูซึ่งก็อยู่ในแคว้นมคตเหมือนกันแล้วก็เป็นเมืองสําคัญเดี๋ยวนี้ก็ยังมีซากอยู่มากมายนะเป็นเมืองที่เคยจเจริญรุ่งเรืองสูงขีดมาก่อน อ, อ, องค์นี้นะฮะมีข้อพิเศษอันหนึ่งก็คือว่าตั้งแต่ยังไม่ได้บวชแล้วเป็นคนชอบศึกษาธรรมะซึ่งแน่นอนสมัยน้อนอุปกรณ์ธรรมะมีมากพระเทลร่าที่คงแก่เรียนถึงขั้นเป็นอหรหันต์ก็มีอย่างเช่นโมคคิรบุตรศึกษาเทลรเนี่ยนะะเมื่อได้มาเรื่อมสายตามพี่ก็สนใจศึกษาจนได้รับ ยกย่องกันในหมู่ผู้คนศึกษาว่าแม้ในกคำพีที่เล่าประวัติว่าเป็นคนที่คงแก่เรียนทั้งในพระสูตรและในพระบิรร ม, มีสองปีดกนี่คงแก่เรียนชานานมากจึงบอกว่าเป็นผู้ที่คงแก่เรียนในพระสูตรและพระบิรรม ท, ทั้งที่ยังเป็นข้ารหัสผู้ครองเรือนซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยก็เห็นจะต้องถือว่าเป็นเป็นจุดเด่นมากเนื่งองจากว่า อพระความชำนาญในธรรมะที่จะได้รับยกย่องอย่างในยุคพระพุทธเจ้าหรือหลังพระพุทธศาสนาสักสองร้อยปีก่อนหน้านี้หรือหลังจากสองร้อยปีนิดหน่อยเนี่ยนะก็อยู่ในมือพระแล้วนะโยมถึงจะเก่งก็โดนบทบังหมดบทบังรัศมีหมดแต่ว่าท่านผู้นี้ได้รับยกย่องก็เลยทําให้เรานึกถึงอพญาลีไทยของเราอ่ะครับเป็นกษัตริย์ด้วย เป็นคารวาสด้วยแต่ว่าแตกฉานในพระเรบิดกซึ่งนับว่าหาได้ยากและการจะได้รับยกย่องอย่างโดดเด่นในยุคนั้นซึ่งพระยังทรงขงนบทางศาสนามากเนี่ยก็จริงต้องนับว่าเก่งพิเศษไปอ่านไรภูมาลวงถึงเห็นคำภีอ้างอิงมากมายไปหมดเลยแสดงว่าเป็นคนรู้จริงก่อนที่จะมามาเรื่อมใสนี่นะพี่ชายทรมาน ทรมานอันหนึ่งคื อ, อเนื่องจากว่าวีตโศกเนี่ยก็พยายามจะแย่งชิงราชสมบัติถ้าเป็นน้องต่างมารดาหรือเป็นญาติคนอื่นพระเจ้าโศกฆ่าทิ้งหมดถ้าฆ่าไม่รู้เท่าไหร่ตอนยังไม่เรื่องสายศาสนาทีนี้พอมาถึงน้องตัวเองเนี่ยก็ฆ่าไม่ลงเมื่อจับได้ว่าน้องจะแย่งราชสมบัติก็บอกว่าเอาละ่ะเมื่อน้องอยากจะเป็นพระเจ้าบุตดิน ไอ้ความผิดก็เป็นความผิดแต่ว่าข้าที่ว่าเป็นน้องเป็นนุ่งกันอยากจะเป็นก็จะให้ครองราชสมบัติเจ็ดวันแต่ว่าเมื่อพ้นเจ็ดวันแล้วต้องผูกประหาร น, นะนั้นระหว่างเนี่ยน้องจะกินน้องจะเสพสุขอะไรในราชสมบัติก็ตามใจชอบพี่ก็ค่อยถามว่าเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างไปไงบ้างจนถึงวันที่เจ็ดน้องบอกว่ายิ่งผ่านวันไปมากขึ้นมากยิ่งไม่เป็นกินอันนอนไม่เป็นอันกินอันนอน เพราะอะไรเพราะมัวแต่นึกถึงว่าจะตายอยู่แล้วจะตายอยู่แล้วเนี่ยมันเหมือนกับนักโทษประหารที่เขาเอาของเอาของไปให้กินเอาบุหรี่ไปสูบอร่อยไหมกินลงไหมกินไม่ลงครักินไม่ลงขนาดเราไม่ถูประหารเราังเห็นคนจะถูบอาหารกินแล้วยังปล่อยปล่อยหมดอร่อยไปด้วยเลยใช่ไหมละ่ะแหมไม่น่าอร่อยเลยไม่น่ากินลงเลย เอาถ้าสมมติเดี๋ยวนี้เอาดีโอหนังสนุกสนุกที่ยังฉายอยู่ในต่างประเทศมาให้ดูก็กดูไม่สนุกอีกแหละนั้นจะมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นที่มีโอกาสจะสนุกมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมคนจะตายอะอะไรที่ทําให้เกิดความสนุกมากที่สุดเดาได้ไหมห้าไม่มีอะไรให้ความสนุกเท่ากับธรรมะนี่จําไว้เลยครับ ไม่ว่าใครทั้งนั้นหลือคถ้าพูดถึงว่าไอ้บุญบาปมันไม่บังกิเลสไม่บังเสีทีเดียวนะไอ้บังเสี้ยมก็ธรรมะมันเข้าไม่ถึงตัวถ้าอย่างธรรมดาเงี้ยเราสมมติเอาปเป็นลางก็ได้สมมุติว่าสมมติอีสามวันจะตายเราเรียนธรรมะแล้วไม่หถือว่าเวลางนะสมมติเอาเพื่อเข้าใจธรรมะเราคิดว่าระหว่างนี้อะไรเป็นของที่น่าอารรถอร่อยน่าวิ่งเข้าหาน่ารื่นลมใจที่สุด ไม่มีอะไรดีกับธรรมะให้เป็นนายกก็ไม่เอาไม่สนุกแต่ว่าธรรมะเนี่ยดีที่สุดบุญดีที่สุดเพราะฉะนั้นคนป่วยคนจะตายเราให้สิ่งอร่อยที่สุดเนี่ยจะทราบซึ่งที่สุดดีกว่าจะไปยัดเยียดเอาซื้อนู่นซื้อนอี่ไปยัดเยียดในกินให้บริโภคนะมันจะไปอร่อยได้ยังไงหมอเขบอกอีกอีกสามเดือนจะตายเลยเนี่ย ม, มันไม่อร่อยแลย้วแค่รู้เนี่ยแม้ว่าโลกมันจะยังไม่กำเริบถึงขนาด ทำให้กินไม่ลงก็ตามเลยพี่ชายเนะี่ยไม่ได้คิดจะฆ่าหรอกต้องการจะสั่งสอ น, นเวลาถามก็ค่อยๆซึมก็ค่อยอธิบายนะก็รับธรรมะได้ในที่สุดพ้นเจ็ดวันก็ไม่ฆ่าน้องชายก็ได้สำนึกได้ความเข้าใจเห็นสาระของยีวิตว่ามันไม่มีอะไรเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ คนไม่นึกถึงความตายเลยเนี่ยก็สนุกกับโลกถึงแม้ว่าจริงๆแล้วตัวเองจะตายในวันผู้นี้ยังสนุกอยู่นั่นเองใช่ไหมฮะหรือจะตายในในภายในครึ่งชั่วโมงนี้แล้วตัวไม่รู้ไม่งั้นผู้นี้มันไม่ยอมไปตายไอ้ที่ที่มันเป็นอะโกยอนรที่เป็นล่าวกันนานๆทีแต่นี่มันไม่รู้ถึงแม้บางคนหมอจะบอกว่าระวังนะจุวดใจไม่ดีอะไรไม่ดีนะบางทีมันยังนึกไม่เป็นไรหรอก หอเตือนไว้แต่นั้นคงไม่ตายแล้วเอาเข้าจริงก็ไปตายจนได้แต่แกไปเกิดใหม่คงจะเสียดายแย่นะ่ะโอ้หมันไม่คุ้มกันเลยกับการเอาชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยไปแลกกับไอ้ผลได้เล็กๆน้อยๆอย่างนี้ทีนี้ท่านองค์นี้เนี่ยเมื่อมาเรื่อมใสแล้วก็ได้ไปครบ สมาคมกับพระองค์หนึ่งมีชื่อท่านระบุด้วยชื่อว่าสิริทัตตาขอโทษนะคิริทัตตะคิะรทิทัตทตก็ได้ไปศึกษาธรรมะแลกเปลี่ยนธรรมะทั้งในทางปริยัตินารางปฏิบัตินะควบคู่กันก็นับว่าเป็นอรหันต์ที่มีตัวอย่างสมบูรณ์มาก่อนบวชนะ ทำคนานทาตุลวิภัฒนาตุลคู่กันไปคราวนี้โอกาสบรรลุของท่านนี่ประหลาดมากประหลาดกว่าพระอาานทั่วไปคือวันหนึ่งช่างกลระบบที่มีหน้าที่มาแต่งโหนดนะแต่งผมให้ตามแบบวิญญาณกันแหละแล้วก็มีแว่นคือกระจก แต่สมัยก่อนไอ้กระจกอย่างที่เราใช้ยังไม่มีมีแว่นที่ขัดเงาก็เห็นหน้าใสาชัดเจนก็มาแต่งผมให้ก็เอากระจกส่องหน้าดูตัวที่คนที่กำลังจเจริญทำปฏิบัติธรรมเนี่ยนะได้อารมณ์ธรรมเนี่ยเวลาเห็นหน้าตัวเองในกระจกแล้วไม่เกิดอาภิชาเหมือนอย่างคนไปเข้าลานเสริมสวยใช่ไหมใช่ โอ้มันนั่มันมีบางมันการเวลาช่างเสริมก็เสริมไม่ถูกใจเนี่ยนะบางทีหลับสนิทไปเลยลืมตาอ้กมาสองหน้าในะกระจกตายดูไม่ได้เชีทันเลาะไปให้ช่างตัดผมไปก็มีกลับมาที่บ้านถึงมาดูพินิจพิเคราะ์แล้วก็เกิดโทสะทีหลังก็มีอะไรอย่างเงี้ยโทนันเกิดแต่ว่าถ้าโดยทั่วไปแล้วก็ช่างดีรู้ใจก็ทําผมทําหน้าทําตาดูหน้าในะกระจกแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าอาวิชชาเกิด นะฮะิชาเป็นลักษณะของอ่านตาโนที่สี่แล้วมันเกิดอันนี้เป็นธรรมดานะฮะก็ไม่ได้ว่าอะไรกลับไปที่บ้านก็เกิดอภิชาอยู่เรื่อยๆใครเขาพูดถึงก็ชมถึงก็เกิดอเบจาซ้ําๆเข้าไปเรื่อยๆเพราะนั้นไอ้สภาพตอนนี้เนี่นโอกาสที่จะเกิดธรรมะเกิดสติเนี่ยนับว่าเป็นเรื่องยากนะฮะแต่ว่าท่านองค์นี้ ท่านกำลังซึมทราบดาบ ด, ดื่มดาบอยู่กับธรรมะพอเห็นหน้าตัวเองในกระจกนี่มันเกิดมิติแนวความคิดในทางธรรมะขึ้นมาเป็นการกำหนดลึกมองลึกเลยไอ้ความรู้สึกอย่างนี้ก็ไม่รู้จะว่ากันยังไงนะหลายท่านอาจจะมีประสบการณ์บ้างก็ได้ไม่เชื่อถ้ า, ถ า, ถาเรามีธรรมะหรือเวลาปฏิบัติธรรมเราไปเอากระจกมาส่องหน้าดูตัวเองดีครับ ถ้าสมมติท่านออกย่างธรรมดาไอ้ตอนตอ น, ตอนเข้าก็ไม่สง่งถ้าไม่จําเป็นวินัยพระถึงไม่ให้สง่งเพราะว่าเอากระจงมาสง่งเนี่ยมันจะเป็นที่ตั้งของความสวยงามความติดกายบินัยพระจึงเกียติกันไว้เพื่อให้ได้ประโยชน์ในทางธรรมะถ้าจําเป็นจะต้องสง่งเพราะว่าต้องการจะดูบาดแผ ล, แลเลืเดคือจำเป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งขี้ผงเข้าตาไอ้ตัวนี้ยนะได้ อันนี้ถ้าว่าเรากําลังเกิดความดื่มด่าในธรรมะเนี่ยแล้วก็เอามาดูหน้าตัวเองในกระจกเนี่ยผมว่ามันจะเกิดความเข้าใจอันนี้เกิดความรู้สึกอันนี้เกิดเที่ท่านเกิดความรู้สึกคือหนึ่งเห็นความปฏิกูลในสิ่งที่ตัวเองเคยเห็นและยินดีเนี่ยดูแล้วก็ไม่มีอะไรไอ้ผมมันก็ดูเข้าไปเป็นอย่างๆส่วนๆแล้วก็ไม่ได้สวยอะไรนะแค่หมูกคราว มันอะไรแล้วก็เลยไปถึงอนัตตาว่ามันเป็นอะไรอย่างเนี้ยก็เกิดความคิดเอาผมเองเนี่ยเคยเล่ามานานแล้วก็สมัยก่อนแล้วว่ามันยังเป็นเรื่องที่อยังอาจจะเล่าได้แต่ไม่ได้ไปแปล ว, ว่าผมมาเล่าว่าผมมารู้ทำอะไรนะไม่ถึงขนานดะคือไอเราไปไปตัดผมเนี่ยถ้าใครเคยฟังมานานอาจจะเคยฟังผมยกตัวอย่างอย่างนี้เราไปตัดผมเนี่ยเราก็ดูหน้าในกระจกแล้วก็ เวลาตัดแล้วเรามงว่าข้างล่างเห็นไอ้ช่างตัดผมมันเหยียบผมเราแเ้วมันนึกไว้ทำไมเราถึงไม่โกรธนอกจากไม่โกรธแล้วยังเกลียดเองนะเวลามันติดแขนติดเสื้อแล้วปัดแล้วปัดอีกไอ้ที่ติดอยู่บนหัวอยู่บ้างก็ต้องไปสะแล้วสาอีกไม่โกรธเพราะอะไรเขาจะเอาผมเราไปทิ้งไป เอาไว้ใน ท, งทังขยะปนกับขี้หมูกีหมาแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรเลยเนี่ยมันก็เกิดความคิดว่าเออผมเรานี่มันไม่เป็นเรามันเพราะที่เรารู้สึกว่าเป็นเราเป็นสวยเพราะมันติดอยู่ที่หัวเรานะเนี่ยทีนี้ไอติดหรือไม่ติดมันก็ไม่ต่างอะไรกันเวลามันติดหัวเราก็รู้สึกแล้วขนาดวิกเนี่ยเรลองมาใส่หัวมาสิเราก็ยังรู้สึกว่ามันยังเป็นเราเข้าไปตั้งเยอะใช่ไหมละ่ะ ก, ก็เกิดใ้ความคิดแยกคณะสัญญาขึ้นขึ้นมานะนี่ก็เป็นเป็นกรณีที่ท่านวีตาโศกเนี่ยท่านอาจจะลงลึกด้วยไอ้ความคิดในลักษณะอย่างนี้หละมันแต่ท่านไปลึกถึงขนาดบรรลุละเออไปม่ถึงขั้นนานะบรรลุโสดาบันต่อหน้ากระจกมาเลยครับบนเก้าอี้ตัดผมมนแหละเดี๋ยจะเป็นเก้าอี้หรือเปล่าไม่รู้ใช่ก็วกาอาสนะนั้น ต่อหน้ากระจกและบนอาสนะที่ช่างตัดผมให้นั่งนั่นเองเป็นโสวดาบันไปแล้วเมื่อบรรลุเป็นโสวดาบันเนี่ยก็ไม่ยากนะครับท่านเองท่านก็คิดว่าเออเราควรจะบวชก็เลยไปขอบวชกับท่านคิริตตะแล้วไปต่อเป็นพระอรหันต์เอาในที่สำนักใต้ลมภากาสาวพัดอีกทีนี่เป็น ตัวอย่างที่แปลกไปจากพระอาลาัรองค์อื่นนะที่ท่านตัดสลุ์ธรรมานั้นท่านจึงได้กล่าวเล่าประวัติการบรรลุของท่านว่าช่างกลระบกเข้ามาหาเราด้วยประหลาดนาจากตัดผมของเราเราจึงรับเอากระจกจากช่างกลระบกนั้น มาส่องดูร่างกายร่างกายของเรานี้ได้ปรากฏเป็นของว่างเปล่าไอ้ไอ้ว่างเปล่านี่เป็นศัพท์ที่เป็นไวยพธของอนัตตาไม่ได้แปลว่าภาพหายนะหรือว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนด้วยความคิดอะไรละเอียดมากมายท่านไม่ได้เจรนายไว้เป็นทั้งหมดความมืดคืออวิชชาในกาย อันเป็นต้นเหตุแห่งความมืดมนได้หายไปหมดสิน้นดุดกีดุดไอ้กิเลสดุดผ้าคีลิ้วทั้งปวงอันเราตัดขาดอันนี้ก็เล่าถึงความเป็นคุณธรรมแค่โสดานะแล้วก็เมื่อถึงบัดนี้พบใหม่ของเรามีได้มีก็ตอนที่พูดเป็นอาลายแล้วถ้าผมถามว่าบางครั้งเนี่ยท่านไปล่านเสริมสวย แล้วก็ทําไม่ถูกใจท่านเคยนึกโกรธไหมเคยแล้วเมื่อเคยเมื่อ น, นึกโกรธแล้วเคยมีความรู้สึกหักห้ามไหมว่าให้เราจะไปโกรธทํำไมนะเราจะไปเอาสาระอะไรกับสิ่งเหล่านี้เคยนึกหักห้ามบางคนก็คงต้องเคยไอ้ที่ผมพูดเนี่ยเป็นผมพูดจากที่ผมมีประสบการณ์บางทีเราสาั่งมาเอาให้ตัดอย่างนี้อตัดสั้นๆหน่อยอยงี้ บางทีบ อ, อบนไม่ต้องเอาไว้หวีอะไขี้เกียจลำพันธ์มาบางทีตัดยาวเราก็ไม่ได้ดูเราก็นึกแหมทําไมไม่ตัดอย่งนี้เราก็นึกเออไอ้นี่ไม่ยากตัดทีง ก, ก็ได้นี่อะไรเงี้ยก็ไม่เห็นมีความหมายอะไรก็เลยไม่ถือโกรธไม่เป็นเรื่องใหญ่แต่อย่างว่าไอ้ผมอย่างผมมันก็ตัดโกรธง่ายนะ ถ้าเป็นของสุภาพระรีหรือจะต้องไปออกงานสำคัญในงานจะสัตย์ยากหน่อยก็ขอแสดงความเหีใจก่อนที่จะผ่านประวัติท่านไปเนี่ยบังเอิญมีอดีตกรรมที่ท่านเล่าเอาไว้ว่าในสมัยพระสิทธทัถาพุทธเจ้าที่กลับมาแล้วก็ดูใจเอกสารนะท่านได้บวชเป็นฤาษีอยู่ในป่า เป็นนักบวชชนิดหนึ่งนะดาบวก็เป็นนักบวชชนิดหนึ่งชดินก็เป็นนักบวชชนิดหนึ่งฤาษีเป็นนักบวชชนิดหนึ่งเมื่อเราวางอยู่นี้ในป่าเนี่ยก็รู้ข่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรากฏเกิดขึ้นแล้วในโลกท่านก็ศรัทธาแล้วก็มีความประสงค์จะไปเฝ้าโดยเล่ง ด, ด่วนซึ่งตอนนั้นตัวท่านอายุถึงปูนชลาแล้ว แต่ไม่ได้บอกไว้ว่าเท่าไหร่จะถึงร้อยี่สิบเหมือนอย่างพรามบางบางท่านหรือเปล่าไม่รู้พรามบางท่านอายุมากมากครับก็ส่งลูกศิษย์ไปสืบก่อนให้แน่แล้วก่อนแล้วค่อยตามไปภายหลังอย่างพรามมาอายุพรามเป็นต้นนี้อายุร้อยี่สิบส่งลูกศิษย์ไปดูก่อนไปถามก่อนหาข้อมูลก่อนแต่ว่านี่ท่านไปเลยครับพาลูกศิษย์ลูกหาไปด้วยคือนี่ปรากฏว่า ไม่มีบุญที่จะได้พบพระพุทธเจา้าในระหว่างเดินทางนั้นเกิดถ้าเดี๋ยวนี้ก็ต้องบอกไปหัวใจวายตายในกลางทางว่าเดินไปได้สักครึ่งโยศนั่ น, นันแหละไม่ทันได้กราบพระพุทธเจา้าแต่เนื่องจากระหว่างเดินทางหัวใจมีพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาผมอยากจะเทียบให้ฟังเหมือนอย่างคนไปอินเดียท่องอยู่ในอินเดียเนี่ยคล้ายๆกัน เข้าใจไหมโกงกับบางท่านก็เล่าแล้วก็กลงกันนะเพราะรหว่างนี้มีพุท ธ, ธเจ้าอยู่ตลอดในวิธธจัยตลอดอยู่ในโรงแรมยังมีพุท ธ, ธเจ้าเข้าโรงแรมด้วยเลยใช่ไหมลนะ่ะถึงเอาไปฝันใจวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ดูเป็นจริงเป็นจังทั้งที่ว่าเราก็รู้ว่าเราไม่มีโอกาสจะได้เฝ้าพุท ธ, ธเจ้านะแต่ไอความรู้สึกนี่ยมันก็ฟื้นบรรยากาศฟื้นไออะไรมาให้ปรากฏในพุท ธ, ธานุสติของเรา แต่ว่าคนที่เศรัท ธ, ธาแล้วรู้พระเจ้าอยู่เนี่ยอย่สมมติอย่างถ้าเดี๋ยวนี้พระเจ้ายังอยู่ที่อินเดียแล้วเราจะไปอินเดียเนี่ยนะเกิดมาจนบัดนี้แล้วเนี่ยไม่มีใครเคยเห็นพระุทธเจ้าเราคนเรามีขึ้นจริงมีจริงๆเราคงจะใจแล้วมันเหมือนกับแหมคิดปนอยู่นะนะว่าพระเจ้านี่ยนะหน้าตาจะเป็นยังไงนะอะไรคิดไปอย่างไงคิดเออ่ เป็นไปโดยประการต่างๆไปกราบท่านแล้วท่านจะพูดกับเราว่ายังไงนะเราจะถวายท่านเนี้ท่านจะอนุโมทนาไปคิดไปอย่างง้นอย่างนี้ตามภาษาคนมีสัตยานบริสุทธิ์นะนี่ก็พุทธานุสติตลอดการเดินทางแต่เนื่องจากว่าหมดอายุไขตายหรือกลางทางตายแล้วไปไหนอย่างเนี้อย่างนี้เรียกว่าล่นหาที่หรือเปล่าบอกใช่ล่นหาที่ ลนหาที่คือลนหาสวรรค์ไงตายแล้วขอไปสวรรค์ก็เลยได้มาฟ้าพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งก็เห็นจะตอนเป็นเทวดาลแล้วแหละอย่างนี้ก็เรียกว่าตายในหน้าที่นะถ้าใครตายอย่างนี้ตายในสภาพอย่างนี้นับว่าเป็นการดีอย่าเอาไปนึกอย่าไปนึกว่าความตายเป็นความไม่ดีจะตายเพราะทำอะไรด้วยอะไรอย่างไร S <S <an> ก็เป็นอันไม่ดีหมดไปคิดงนั้นก็ไม่ดีนะแม้ ว, ว่าคนนี้มัต้องตายแล้วบางครั้งเนี่ยถ้าเราเกิดไปตายในขณะทำความชั่วเนี่ยมองมันแย่มากบางอย่างก็ทําไม่เสียชื่อบางไอ้นั้นยังไม่สำคัญเท่ากับว่าตายในขณะทำความชั่วนั้นทำให้ไปอบัยภูมิ <Union> <S an> นี่สี่น่ากลัว <S <S <an> เอาละมาถึงพระอีกองหนึ่งองค์นี้เป็นองค์ที่หนึ่งร้อยสี่สิบหกชื่อว่าพระปุณณมาน ก็ก็ที่แปลว่าถั่วทองนั่นแหละครับเป็นชื่อของถั่วชนิดหนึ่งที่ได้ชื่ออย่างนี้เพราะว่าบตอนที่ท่านเกิดเนี่ยในบ้านในยุ่งในช้างนั้นมีถั่วมีถั่วนี้เรียกว่าเต็มไปหมดมันเป็นนิมิตของบุญท่านก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อลูกท่านเป็น คนที่เกิดในตระกูลกูดุมพีหรือพ่อค้าชาวเมืองสาวัตถีและเป็นลูกตัวท่านเองเนี่ยตอนเมื่อโตขึ้นก็แต่งงานก็ได้ลูกชายคนแต่ว่าตัวท่านเองเป็นลูกคนเดียวหรือเปล่าไม่ไา้นะได้ลูกชายคนหนึ่งทีนี้พอได้ลูกชายเสร็จแล้วเนี่ยเอเกิด ไปออกบวชออกบวชก็เป็นเรื่องความศรัทธาที่เกิดขึ้นในชั้นหลังแต่ ว, ว่าตอนไปบวชนี่ไม่ได้บวชพระพุทธเจ้าก็บวชแล้วก็บําเพ็ญความเพียรจนกระทั่งได้บรรลุเป็นพระอราหันต์ตั้งแต่ก่อนพบพระพุทธเจ้าแล้วก็เดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้าซึ่งประทับอยู่ในที่อื่น เครองที่อื่นตอนนั้นก็ท่านบอกว่าอยู่ที่ป่าช้าตอนนั้นนะลูกเจ้าป ร, ป, รประทับอยู่ที่ปา่าช้าก็คงจะด้วยภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งในตอนนั้นซึ่งไม่ได้เล่าไว้ในประวัติช่วงนี้ตอนนี้เมื่อบรรลุเป็นพระอรหันต์ไปแล้วเนี่ยครับตัวมีลูกชายคนหนึ่งก็คนที่บ้านเขก็เลี้ยงดูอยู่แต่เลี้ยงไปเลี้ยงมาลูกชายเกิดตายซึ่งเป็นลูกชายคนเดียวในายะกูลกระดุงผีซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากสําหรับคนที่มีลูก ชายคนเดียวตายและตัวเองเป็นคนร่ำรวยเนี่ยเขากลัวว่าทรัพย์สินนั้นจะไม่มีผู้ปกครองและจะถูกริบเข้าเป็นของหลวงข้างภรรยาเนี่ยเมื่อรู้ว่าสามีเดินทางกลับมาในที่ใกล้บ้านก็ไปหาแล้วก็อยากจะให้ศึกครับไปขอร้องทั้งเรียกว่าโขทั้งสารพัดอย่างจะให้ศึกท่าน ก็ไม่สึกยืนยันไม่สึกแล้วนอกจากไม่สึกแล้วเนี่ยท่านยังได้ให้ธรรมะสอนธรรมะแก่ภรรยาซึ่งยังไม่ได้นับถือพระได้ถึงสารณะและตั้งอยู่ในสีคือตั้งใจจะไปเอาพระศึกแต่พระก็กลายเป็นว่าเอาโยงเข้าวัดนี่เลยกลายเป็นอุบาติกาไปเลยตรงนี้ตรงนี้ ท่านได้บอกแก่ภรรยาว่าเราละนิวรณ์ห้าเพื่อบรรลุความเกษมจากโยค่ะแล้วถือเอาแว่นธรรมคือยาณทัศนะของตนส่องดูร่างกายนี้พั่วทั้งหมดทั้งภายในภายนอกร่างกายของเรานี้ปรากฏเป็นของว่างเปล่าทั้งภายในและภายนอันนี้ก็เป็นการบอกว่า ท่านเห็นตัวเองไม่มีสาระอย่าว่าแต่คนอื่นเลยคนอื่นก็ไม่มีสาระไปด้วยเป็นของว่างเปล่าแล้วท่านหมดกิเลสแล้วโย่ยังมาช่วยนัตตามาศึกเลยนะอะ่ก็เทตธรรมะอย่างอื่นเจอทั้งอดิตภรรยาเลื่อมใสแต่ไม่ทราบว่าได้บรรลุเป็นอริยะขั้นใดขั้นหนึ่งต่อมาหรือไม่เอาละครับนี่ก็เป็นประวัติท่านอีกองหนึ่งองค์หนึ่งรอยสี่สิบเจ็ด มีชื่อว่าพระนันท ก, กะไม่ไม่ใช่นันทะที่เราพูดถึงเมื่อกล่าวก่อนนะชื่อว่านันท ก, กะแล้วก็นันท ก, กะองค์นี้ก็ไม่ใช่เป็นนันทะรูป อ, อื่นที่เราพูดถึงที่เป็นลูกของกษัตริย์เกิดในศสกยวงศนะแต่ว่าองค์นี้นะเป็นลูกค้ารืหาบดีชาวนครจำปาซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นอังคะซึ่งเป็นแคว้นเดียวกับเมืองพัทยานคร ซึ่งเป็นบ้านเกิดของนางวิสาขาดังกล่าวมาอันนี้ก็เรียกว่าเกิดแกล้นเดียวกันแต่ว่าอยู่กรุงรัตท่า น, นเป็นกระดหาบดีชาวเมืองหลวงก็มีพี่ชายคนหนึ่งชื่อว่าพา ร, ะะระรตตาพรตะหรือพรรตาน้องชื่อว่านันต ก, กะพี่ชายชื่อว่าพาระรัตตาสองพี่น้องคู่นี้นับว่าเป็นคนมีบารมีได้ทํากันมา เสมอหน้ากันได้มาเกิดเป็นพี่น้องกันแล้วก็ได้มีโอกาสได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ในโอกาสเดียวกันบวชโอกาสเดียวกันเหตุที่ท่านบวชเนี่ยก็เพราะว่ามีบุคคลคนหนึ่งที่ชื่อว่าพระโสนะโกลิวิสาโสนะโกลิวิสาได้ไปบวชซึ่งท่าน ท, ทโสนะองค์นี้นะเป็นคนหนุ่มที่เรียกว่า พวกคนหนุ่มในยุคนั้นเขายกย่องนักถือแล้วก็สนใจความเคลื่อนไหวเมื่อได้ข่าวว่าท่านโสนะโกริวิสาซึ่งเป็นคนที่เกิดในครอบครัวสุกุมารชาติคือร่ำรวยความเป็นอยู่สุขสบายประเภทเดียวกันกับท่านพัทธชิเมื่อตะกี้สุขสบายมากแต่ว่าท่านมีลักษณะพิเศษนนหนึ่งที่เคยพูดถึงแล้วก็คือว่ามีขนอ่อนเกิดขึ้นที่ฝ่าเท้าใครก็อยากดูนะ เรียกว่าเป็นพวกสุขุมาราชาติมาะเด็นว่ามาได้ข่าวว่าไปบวชเนี่ย เ, เวลาเราได้ยินว่าคนไปบวชในความคิดมีสองอย่างอย่างหนึ่งคนนั้นมีปัญหาอะไรมีปัญหาชีวิตอะไรริงไปบวชเอาข้อปลารลบในทางลบมาเป็นข้อปลารลบข้อสงสัยข้ออยากรู้อีก ความคิดหนึ่งก็คือว่าที่ที่บุคคลนั้นไปบวชต้องมีดีอะไรปราลบด้านบวกอย่างนี้ก็เกิดความสนใจขึ้นทีนี้ในกรณีของคนบางคนเนี่ยให้เราไม่รู้พื้นฐานเขาก่อนแล้วก็อาจจะคิดว่าอย่างไงอย่างไงบางคนเรารู้ก็<ๆ>ก็เห็นใจเออคนนี้เขามีความทุกข์อย่างทั้งหมดว่าคนรู้จักกนังปตจราเนี่ก็ต้องรู้โล้วทำไมถึงไม่บวช<ๆ>ก็กนงงนนกินอย่างนี้นั้นด้วยแรงกระตุ้นนั้นแต่ว่าถ้าเป็น พระยศถ้าเป็นพระพัตชิถ้าเป็นอท่านโกลิวิสาโตนาโกริวิสาไปบวชเนี่ยทุกคนจะต้องคิดในทางเดียวว่าท่านที่ที่ท่านไปบวชเนี่ยต้องมีดีและไปบวชอยู่กับใครคนนั่นต้องเก่งต้องดีเกินกว่าคนที่ไปบวช ด, ด้วยก็ความคิดในทางบวกเกิดอทางบวชนี่เกิดขึ้นอย่างนี้อ่าท่านสองพี่น้องนี้ก็ เกิดความคิดอย่างนี้ว่าต้องมีดีไม่อย่างนั้นคนที่เอมีความเฉลียวฉลาดมีความอยู่เย็นเป็นสุขอย่างนี้ประสบความสําเร็จใน <K <W> K> ชีวิตอย่างนี้ไม่ไปบวชหรอกในที่สุดก็เลยตามไปบวชพอไปบวชแล้วก็บรรลุเป็นพระอราันตามมาอย่างง่ายๆทั้งสองพี่น้องนะอ่าทีนี้ว่าอองค์น้องเนี่ยเดี๋ยวก็ว่าต่อองค์องค์พระท่านภารตะองค์พี่ค่อยว่าว่าต่อ <K <W> K> อีกทีก็เพราะนั้นว่า ทั้งคู่ใบบวชแต่ว่าการบรรลุเนี่ยมันจะบรรลุในเวลาเดียวกันเนะเป็นเรื่องอมีข้อแตกต่างกันซึ่งจะได้ได้กล่าวต่อไปก็ได้ความว่าพี่ชายเนี่ยบรรลุก่อนเป็นพระอรหันต์ที่มีคุณสมบัติสมบูรณ์ไปส่วนน้องนั้นยังไม่อาจยังวิปัสสนาให้สูงขึ้นไปได้ตรงนี้นะผมขอย้ำว่าเป็นอุทาหรณ์เป็นตัวอย่าง ยืนยันหลักการอันหนึ่งที่มีคุณค่าที่ในวงการอาของการปฏิบัติเนี่ยบางทียังจะมีปัญหาถูกเสียงอะไรบางอย่างกันอยู่นะฮะอันนี้ยกไปได้เลยทีเดียวนเชิงตัวอย่างว่าคืออย่างไรคือท่านบอกว่าน้องชายที่ไม่ได้บรรลุนั้นนี่ผมโจทย์คำพูดมาเลยนะบอกว่าเพราะกระทำในวิปัสสนากรรมฐานอย่างเดียวมันความว่าไง หมายความว่าพี่ชายเนี่ยทำสมถะด้วยทำวิปัสนาด้วยจึงบรรลุได้เร็วเป็นเครื่องช่วยแต่ว่าน้องชายเนี่ยทำวิปัสนาอย่างเดียวแล้วท่านบอกว่าไม่อาจยังกรรมฐานคือวิปัสนาที่ทำเนี่ยให้มีกำลังสูงขึ้นไปได้เพราะกิเลสยังมีกำลังกล้ามีกำลังหยาบ เดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นข้อกระมอดทีทีเอด้วยเหตุที่ว่าทํากรรมฐานอย่างเดียวตรงนี้แหละครับนี่ก็มาวกเข้ามาว่าการทํากรรมฐานเพื่อบรรลุเป็นพระอรหันเนี่ยทําวิปัสนา ล, นล้วนก็มีไปได้อันนี้พูดถึงว่ากันได้ทําประกอบฌานประกอบสมาธิใช้สมาธิเป็นบาปก็ได้ก็บรรลุได้แต่ว่าข้อที่ดีกว่ากัน น, นี่พูดถึงข้อที่ดีกว่ากันในทางหลัก อทางบุคคลค่อยว่าอีกจุดหนึ่งในทางหลักเนี่ยคนที่ทําวิปัสสนากรรมฐานอย่างมีพลังสมาธิได้พลังสมาธิดีกว่าเป็นหลักที่ดีกว่าเร็วกว่าสมบูรณ์กว่าทีนี้ถ้ามาว่าโดยบุคคลบุคคลบางคนเนี่ยมีบารมีมีพื้นที่จะทำสองอย่างคู่กันไม่ได้ถ้าทำสองอย่างแล้วบรรลุเร็วแต่ว่าถ้าไปทําเหลือ อย่างเดียวถ้าทำช้านอย่างเดียวไม่รู้วิปัสสนาก็บรุ้งไม่ได้อีกนะครับอันนก็ไม่แปลกอะไรเข้าใจยอมรับตรงกันหมดแต่ว่าถ้าลุยวิปัสสนาแล้วไม่ไม่ได้ทํากรรมฐานจะได้เหตุผลอาธรรมธรรมะเนี่ยจะได้เหตุผลอะไรแต่ว่าตัวเองนะมีพื้นมีสมรรถนะที่จะทําได้มีเงื่อนไขอะไรต่างๆที่จะทาได้ทั้งภายในไปนอกแล้วไม่ได้ทําจะกลายเป็นว่าบรรลุเป็นพระอริยชา เพราะขาดเครื่องทุนแรงอ่เราเรียกเครื่องทุนแรงแล้วกันมันทุนยังไงอธิบายได้อย่างนี้ในนี้ท่านพูดไว้แล้วก็เอาความเป็นสองอย่างอย่างนี้เลยครัไม่ว่าจะพูดที่ไหนก็ตามคือหนึ่งคนที่ทําที่เราเรียกว่าทำสมาธิเป็นบาศแก่วิปัสนาเนี่ยคําว่าเป็นบาศหมายความว่าไงหลักใหญ่อยู่ที่สองอย่างอย่างหนึ่งคือเป็นบาศในทางว่า ปรามกิเลสขั้นหยาบบางอย่างให้มีเป็นบาทอย่างนี้มันจยาง ก, กรณีพระเอานี้ท่านเน้นตรงนี้เห็นว่าเพาระกิเลสที่จะปรุงละได้โดยธรรมะไม่ถูกปรามกิเลสได้มีกำลังมากวนการทำวิปัสสนาของตัวสองเป็นบาทในทางเรียกว่าทางถ่ายพลังแลาพว้นี้เป็นภาษาผู้ง่ายๆนะ อันนี้ก็เหมือนอย่างที่เราเข้าใจว่าถ้าเรามีจิตสงบนิ่งสัตทินซีแรงและเรารู้จักเอามาใช้เป็นฐานรับฐานต่อวิปัสสนาเนี่ยมันก็แทงลึกวิปัสสนาได้ชัดเจนคมลึกรวดเร็วนี่เรียกว่าฐานในทางพลังก็เลยเป็นบาทสองแบบหนึ่งบาามความชั่วอ่าคือเป็นพลังประหารปฏิปักษ์สองเป็นพลัง เสริมองคุณของโพธิปัจเกียธรรมนี่คือคือหลักตรงนี้แล้วก็การที่จะเอาสมถะเข้าไปเป็นลูกเล่นของวิปัสสนาเนี่ยมันยังมีวิธีการทีย่ำยนหลายอย่างหลายประการแต่ว่าที่จะพูดถึงในสูตรนี้นะเป็นอย่างหนึ่งในหลายๆอย่างในทางตัวอย่างของหลักการคืออย่างไรที่ชายซึ่งบรรลุเป็นพาาระอรหันต์แล้วก็รู้ว่าน้องเองก็อยากบรรลุน้องเองก็พยายามทา วิปัฒนาเพิ่มไม่ได้บรรลุแล้วก็รู้ว่าที่ไม่ได้บรรลุเพราะอย่างนี้แล้วก็รู้อัธยาศัยว่าน้องเนี่ยสามารถแล้วควรที่จะทำสมถะได้ด้วยก็พอรุ่งเช้าก็ไปชวนน้องให้เป็นปัจจาสมนณะเดินตามหลังไปสู่ที่วิธีบาปหมายใจว่าจะได้เอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าข่านคงมองเห็นอนาคตนะนะ วอจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จะใช้ประโยชน์เหตุการณ์นั้นมาเป็นคติธรรมได้อย่างไรก็ออกไปตามหมนทางเพื่อเข้าไปสู่โพจรบิสบาตตอนนั้นมีกองเคลียนที่บรรทุกสินค้ามาค้าขายแล้วก็มาจอดจอดนี่ไม่ได้ตั้งใจจะพักในเวลาที่ควรพักหรอกพักเพราะเหตุการณ์ บ, รบังคับคืออย่างไร คือเขวียนเล่มสําคัญเล่มหนึ่งตกสุดลงไปในหล่มตอนนั้นกําลังตกพอดี อ, อไล่ให้มันลากเขวียนเท่าไหร่มันก็ลากไม่ขึ้นอ น, นี่หัวหน้าเขียนคนนี้แกตลาดแกรู้จักผ่อนหนัก่อนเบาแทนที่จะไปดันทุลังให้เวียนมันไม่ให้โคมันลากก็บอกว่า ปลดโคออกจากเขวียนซะก่อนนะและให้มันมาพักกินน้ํากินหญ้าพักสักครู่หนึ่งแล้วเอามาเตรียมใหม่ตอนอนี้นี้ไอคนคุ ม, ค, มคุมเวียนเล่มนั้นก็ปฏิบัติตามใจเย็นก็มานะให้มันพักกินน้ํากินท่ากินหญ้าพักพอหายเหนื่อยแล้วเอามาเขวียนใหม่มามาเตรียมเขวียนใหม่และ้ะให้มันล่ากขึ้นอย่างง่ายๆเลยครับ เวลาเราทํางานเนี่ยเราเคยสังเกตไหมบางอย่างเนี่ยแค่พักเดี๋ยวเดียวเนี่ยฮะไองานที่เป็นเรื่องใหญ่ที่เราพยายามจะดันดัวรังทําให้เสร็จเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องเล็กทําได้เลยอันนี้ก็เลยต้องดูจังหวะอย่างนี้ต้องรู้จักพักทีนี้ไอคําว่าพักถ้าเป็นอย่างเควียนเทียมโคมันก็พักอย่างนั้นเราทํางานแล้วก็อาจจะมีวิวธีพักหลายหลายอย่าง แต่ว่าการทํากรรมฐานเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าเป็นเครื่องพักคืออะไรในธรรมบทก็พูดใน<ม>อัตตกถาประสูตรในมัชชิมานิกายก็พูดคล้ายๆกันตรงนี้ว่าบางแห่งไม่ได้เปรียบเหมือนอย่างโคนะฮะอย่างในธรรมบทกับอัตตกรฐานนัเปรียบเหมือนกับไข้ทหาร ว่าคนทําวิปัสนาฐานเหมือนคนออกศึกในสงครามทหารเวลาเข้าสงครามเนี่ยนะระบบทหารว่าหลังก็ถึงรู้ก็ต้องมีปดระวังไงว่าไอเวลาไปลบที่เวียดนามอะนะผมก็พอทันไอคนรุ่นนั้นไปออกรุ่นจงอ่างศึกรุ่นเสือดำเนี่ยต้องผัดถ้าไม่ผัดแล้วก็คนมันมีจุดเต็มที่แล้วนะอต้องรู้จักผัดทีนี้เวลาไปลบแล้วเนี่ยก็ต้องมีเวลาพัก แล้วต้องรู้ว่าไอ้เวลาพักเมื่อแล้วเมื่อไหร่จะพักอะไรยังไงต้องรู้แล้วก็าถึงมีค่ายเป็นที่พักเวลาไปลบจนเหนื่อยนัองถอยมาพักพักแล้วก็ไปลบใหม่ไม่ใช่พักเพื่อสนองความยี่งใหญ่แต่พักเพื่อเอาพลังไม่ทิ้งเป้าหมายไอ้ น, นี้เหมือนในวิปัสสนาว่าการใช้วิใช้ฌานเป็นบาตเนี่ยต้องรู้ว่านี่ใช้เป็นบาตไม่ใช่เป็นจุดมุ่งหมาย แล้วเราเอามาใช้ประโยชน์เช่นในทางพักนะี่ยก็ไม่ใช่พักเพื่อขี้เกียจเลยทิ้งวิปัสนาทำสมาธิพอมันเป็นของสบายดีสงบดีไอย้ยางนั้นก็ไม่ถูกคือเรียกว่าถอยเข้าค่ายพักแล้วออกไปลบใหม่แล้วก็เดี๋ยวนี้นะในพระมาสอนอย่างนี้ผมไปทํามาสอนอย่างนี้เลยว่าเวลากาหนดเนี่ยนะเป็นอย่างทําคู่กันเนี่ยพอทําแล้วมันถึงจุดเต็มเหนี่ยวของมันแต่ครับจุดเน็ตเหนื่อย ใช้เป็นํานวนอย่างในกระบี่ไปทำเลือกอาจนแล้วมันเหน็ดเหนื่อยเนี่ยให้พักเช่นว่าถ้าเร า, าเรากําหนดอาจะพักก็กําหนดสมาธิโดยการกําหนดลมบ้างโดยการกําหนดอารมอย่างอื่นบ้างแล้วแต่หรือบางทีก็ใช้วิธีโอพักกําหนดในในนามลูปส่วนนั้นแหละแต่ว่าหยุดเสียไม่จ่ะแทงมาจําหนแบบจ่อแทงนิ่งนะเอาเป็นแบบรดชาติของธรรมา ใช้อารมณ์วิปัสนานะเป็นเป็นเครื่องก่อสมาธิแบบนิ่งไม่ต้องไปกําหนดเจาะแทงดักหน้าดักหลังอย่างวิปัสนาธรรมและจริงๆที่ปรากฏก็คือว่าอินทรีย์นีมันรวมตัวอย่างเข้มแข็งขึ้นมาอีกทีเพราะทำอย่างนี้เพอหายเหนื่อยเหมือนหายเหนื่อยไม่มีผิดหครับไม่มีผีดหกครับแต่ที่เราจะต้องระวังคื อ, อ้ความขี้เกียจนั้นแหละอาจารย์จะตําหนิทีเดียวว่าถ้าเราไป เผลอแล้วก็ขี้เกียจคนอื่นเนะดูไม่ออกเลยครับว่าขี้เกียจยังไงเพรนี่เขาว่ากันถึงไอ้ความรู้สึกมึนคิดในกระบวนการการปฏิบัตินี่เมื่อสอนน้องชายอย่างนี้น้องชายก็เลยรู้เลยทีเดียวว่าเราไม่มีเครื่องพักไม่มีที่พัก เมื่อไม่มีที่พักอยากพักก็พักแต่นี่ก็ไม่ได้คิดจะพักด้วยนะก็เลยต้องไปทำให้มันทาที่พักแล้วก็รู้จักพักจึงเป็นอันว่าในที่สุดนั้นน้องชายบรรุเป็นพระละหังอย่างสบายๆเพราะการรู้จักพักนี่เองนะฮะน้องชายเนี่ยในอดีตสมัยพระพุทธสิกขีเนี่ยเคยทำ ที่ปฏิบัติกรรมฐานแล้วก็ทำทางจงกรมถวายพระพุทธเจา้าเป็นบุญที่เกี่ยวกับกรรมฐานเป็นบารมีเก่าก็เลย เ, เป็นเป็นอานิสงส์อันหนึ่งนะที่ติดตัวมาจนถึงเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงได้กล่าวว่าโคอาชาในที่ดีถึงพลาดแล้วก็ตั้งตัวได้ ได้ความสังเวชยิ่งแล้วนำภาระต่อไปชั้นใดท่านทั้งหลายจงทรงจำขระพเจ้าไว้ว่าเป็นอาชาญหนผู้สมบูรณ์ด้วยทัศนะเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบุตรเกิดแต่อุระแห่งพระพุทธเจ้าอันนี้ก็พูดถึงอุปมาของโค่นั่นด้วยนะคือเรื่องของการรู้จักพักเป็นระยะระยะเนี่ย เป็นเคล็ดลับอันยิ่งใหญ่ของนักทำงานทาั้งในทางฉิดแล้วก็ในทางธรรมดาเราไปอ่านในพวกํำลาโยคะของโคลุสีนะเห็นชัดเลยว่าูเนี้เขาการพักเขาเนี่ยคนไม่รู้คแล้วทำให้บุคคลนั้นสามารถที่จะทนงานวิงทีหายใจตามวิธีการของโยคะนะี้ยมันพักโดยไม่รู้ตัวไม่มีใครรู้หรือนั่ง หลับตายทั้งนี้นก็เป็นวิธีพักอย่างใดอย่างหนึ่งของฝรังก็มีอะไรสารพัดยางเป็นของเล่นในทางพักนะแต่ก็เดี๋ยวเดียว์ทำงานต่อได้ทันทีวิปัสสนาเนี่ยเป็นของหนักยิ่งกว่างานทั้งปวงการพักและสิ่งที่เป็นผาสุภวิหารคือทำมัเป็นเครื่องพักผ่อนเป็นสิ่งที่เราจะต้องสร้างเข้าไว้เพื่อเป็นเครื่องช่วยให้เราบรรลุความสาเร็จ ตามที่เราเข้าใจและต้องการขอว่าถึงอีกองค์นึงสุดท้ายเป็นพี่ชายนะให้จบไปด้วยกันแล้วก็จะหยุดโดยแค่นั้นองค์ต่อไปนั้นชื่อว่าท่านพรารตะซึ่งเป็นพี่ชายนั่นเองครับ เ, เกิด อ, องค์ที่หนึ่งร้อสี่สิบแปดก็ไปบวชพร้อมกันบ้านเกิดเดียวกันนะครับได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ไปก่อนน้องชายอาบุพกรรมเนี่ยพี่ชาย เคยเกิดเป็นลูกผู้มีอันจะกินแล้วก็ได้มีโอกาสไปเฝ้าไปเห็นพระพุทธเจ้ากำลังเสด็จเดินโยกรมอยู่บนดีเลื่อมใสถอดรองเท้าอยากจะเรียกเป็นรองเท้าคู่เก่งที่มีมูลค่ามากไปถวายพระพุทธเจ้าไอ้อย่างนี้จะเรียกว่าเป็นสามีทานก็ไม่ได้นะเป็นสหายทานระดับสูงคือเป็นสหายทานที่ประนี ไอ้ยังเราไม่กล้าทํำใช่ไหมแต่ว่าคนเราในในบรรยากาศบางอย่างเนี่ยบางทีเราก็จําเป็นต้องทำเช่นว่าบางเอิญพระก็ตากฝนเราก็ตากฝนแต่เรามีล่มเราพระเราเห็นพระบอกไม่ถวายเป็ น, เ ป, นเป็นสหายทานเราอยากจะทําสามีทานเอาไว้วันหน้าไปซื้อเล่มใหม่ถวายก็แล้วกันอย่างนี้พระก็รอไม่ไหวเปลี่ยนน้าไปแล้วเอทีอนี้เมื่อเกิดศรัทธาขึ้นมายัางไม่ได้เสี่ยงตัวเนี่ยก็ถวายไปตามมีที่ดีที่สุดเท่าที่ให้ได้ อันนี้เรียกว่าเป็นอะไรทานครับยานนาทานน้องให้ทางที่ให้หลองเทา้านี่เป็นทานลักษณะเดียวกันเลยเป็นอ น, นิสงฆ์ให้สองท่านนั้นได้มีโอกาสเจริญในธรรมได้โดยดีด้วยกันทั้งคู่นั่นเป็นเรื่อง อ, องค์พี่เอา้าเขียนเล่าสั้นๆได้เลยเอา้าวขอแถมต่อไปทั้งสององค์เลยครับสั้นๆนะ อีกสององค์ให้จบเป็นห้าสิบบาทอีกองค์นึงชื่อว่าภารัตวาชนี่เป็นพราหมณ์ชาวเมืองอรชกฤตเกิดในพารัตวาชโคตนะครับเป็นลูกของพรามณ์ที่ร่ำรวยพ่อก็ส่งไปเรียนที่ตักติลาทึ่งอยู่ทางอียิปต์ตอนเหนือเป็นเมืองหมายอไรสมัยนั้นนะก็พ่อส่งไปเรียนแล้วนะฮะนี้เมื่ออันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะ ว่าในระหว่างเดินทางไปเรียนเนี่ยบังเอิญได้ไปพบพระอระหรันในระหว่างทางเมื่อได้ไปพบลระระหรันแล้วก็ยังว่าหน้าที่ของพระก็โปรดสัต์ก็ให้ธรรมะทําไปทํามาคนจะไปเรียนแท้ๆไปเรียนทางโลกแต่แท้ไปเจอพระอระหันเข้ากลับตละลัปัดเลยพอ่อทรงให้ไปเรียนเตรียมสบองะเบียงอะไรเสร็จแล้ว ไม่เรียนนะไม่เรีย น, ไ ม, ยนไม่เรียนทางโลกก็เรียนธรรมะเรียนปฏิบัติบวชก็ตอนนั้นวินัยเรื่องอยขออนุญาตพ่อไม่มีก็บวชได้บวชแล้วก็บรรลุเป็นพระอาหารหันอย่างเร็วๆนี่แหละครับโดยรวดเร็ ว, ะะรวพ่อก็ไม่รู้ตัวก็ไม่รู้ว่าพ่อเหตุการณ์ทางพ่อเกิดอะไรขึ้นเอาละ่ะเมื่อบรรลุเป็นพระอาหารหันแล้วก็เดินทางกลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้า ที่พระผู้มีพรภาคประทับอยู่ที่บ้านเกิดพอดีที่วัดบ้านเกิดก็เมืองเลยเจรืญนั่นแหละครับพอไปสู่ที่เฝ้าลูกเวมลพระปรากฏว่าพ่อก็เป็นพะมัมม้งครับตัวลูกพ่อก็ไม่รู้ว่าลูกไ ว, เว้เป็นพะเป็นลระหลานแล้วด้วยนะอลูกก็ไม่รู้ว่าพ่ออยู่ทางบ้านเว็ลพะไปแล้วเหมือนกันต่างโกลต่างหนีบวช จากกันและกันก็มาเห็น อ, อ่ะพ่อนี้อาหานนี่ก็าหารลู ก, กันนี่เห็นไหมละ่ะก็เลยเออนี่ผมหาคำตอบไม่ได้ว่าใครบว่ก่อนใครนะแต่ว่าอย่างงี้ก็ลูกก็ต้องรา ง, งวัดละวัยบ่ละด้วยเหตุผลอย่างอื่นเป็นที่อ้างเลยต่างคนต่างก็แหมก็เข้าใจกันนะฮะเข้าใจกันอย่างทะลุปูปลงระหว่างพ่อกับลูก ก็เห็นจะเราคงจะเลรนายความเข้าใจของท่านไม่ได้อ่านี่เป็นเป็นกรณีแปลกๆของชีวิตพระอรหันต์เนี่ยเราก็ได้ข้อสังเกตเหมือนกับเรืออื่นว่าคนเราในบางทีเราไปทําอะไรไปไห น, นจุดมุ่งหมายจะไปเพื่ออันนี้แต่บางทีมันไปได้อันอื่นใช่ไหมบางทีเนี่ยเรามีความจุดมุง่งไอ้เรีว่าไปได้อันอื่นบางทีก็อันอื่นที่มันเรื่องนอกเรื่องที่ไม่ดีบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ดีกว่า บางคนก็ตั้งอันนี้แล้วก็ได้อันนี้อันนี้มันเป็นเรื่องของความตั้งใจสําเร็จได้อย่างไรอยู่ที่กรรมมันบอกว่ากรรมดีเนี่นะถ้าบูนถึงกรรมดีแม้ไม่ตั้งใจแม้ตั้งใจเพื่อเอาอันอื่นกรรมดีเขาก็ให้เกินให้ผลเกินความตั้งใจดีวความตั้งใจเสมอแม้ไม่ตั้งใจอ ย, อย่างประโยชน์นี่เป็นต้นนะ หรือตั้งใจเพื่ออย่างอื่นก็การที่ตัวเองทําเพื่ออย่างอื่นแล้ไปได้อย่างอื่นและในทางบาปก็เหมือนกันครับในทางความชั่วเนี่ยคนมีความชั่วอยากรวยแค่อยากรวยมันก็ไม่เห็นรวยกันทุกคนอยากจะได้อย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องได้อย่างนั้นอย่างนี้บางทีไปได้อย่างอื่นที่มันไม่คุ้มไม่ดีเท่ากับที่ตัวเองตั้งใจจะได้แต่ซ้ําไปก็เยอะแยะไปอันนี้องค์ท่านรนะ้อยห้าสิบนะองค์สุดท้ายของวันนี้ท่านกันหาถินณนะ นี่เป็นชาวเมืองราชเกลือเช่นเดียวกันนะครับองค์นี้นะ่ะมาบวชอย่างเรียบๆรียบบอกว่าพอโตขึ้นอุปนิสัยบารมีเก่าตักเตือนก็เข้าไปหาพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็เทศน์ให้ฟังก็บวชแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์ไปกับพระสารีบุตรง่ายๆไม่มีอะไรพิสดารครับวันนี้จบเท่านี้ก่อน ข่าวหน้าก็จะออกองค์อือ่น<ง>